ก็ประกรณ์คือปฏิสัมพิธามมรคนี้อันกุลบุตรผู้สวดคือผู้ที่ทรงจำได้ก็เวลาสวดสาธยายนะสาธยายเนี่ยสวยดก็คือสาธยายหรือผู้แสดงโดยปาฐะโดยปาฐะคือโดยโดยถ้อยคําหรือโดยอัถะคือความหมายพึงสวดพึงแสดงโดยเคารพเถิดอันนี้หมายถึงเรียกว่าแนะนําคนที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยนะคนที่ทรงจำได้ถ้าท่านจะสวดท่านสวดด้วยความเคารพนะ เวลาท่านจะแสดงท่านก็ต้องแสดงด้วยความเคารพอันนี้เตือนกลุ่มอาจารย์เลนะทีนี้ก็เตือนนักเรียนอีกว่าถึงแม้จะเรียนก็พึงเรียนพึงทรงจําไว้ด้วยความเคารพเธออ่านะถามว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมจึงเอาความเคารพความหนักแน่นเป็นเกณฑ์เพราะไรเพราะประการนี้เป็นประการที่มีอัตลัลึกซึ้งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเพื่อความดํารงมั่นอยู่โลกคําว่าเพื่อประโยชน์ ประโยชน์เป็นชื่อของอะไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะที่นี้ก็มุ่งประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานส่วนสิ่งที่เกื้อกูลคืออะไรสิ่งที่เกื้อกูลต่อโลกอย่างแท้จริงคืออริยมรรคเนี่ยนะปฏิสัมพิธามรรคเนี่ยนะเป็นคมพี์ที่เป็นปัจจัยให้บรรลุอริยมรรคเพราะนั้นก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเอง แล้วก็ถ้าหากว่ามีการแสดงผู้ที่สวดผู้ที่แสดงผู้ที่เรียนผู้ที่ทรงจำถ้าทำด้วยความเคารพเนี่ยนะในคำภีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้คำภีนี้จะนำรงมั่นอยู่ในโลกนานแต่ถ้าคนเรียนก็เรียนคนสอนก็สอนเล่นๆคนเรียนก็เรียนเล่นๆนะนะอะไรที่มันเล่นๆมันก็จะหมดเล่นๆเหมือนกันนนะก็เลยไม่เหลือเลย อ่านะนี่ก็ประเด็นในแง่เรียกว่าคําเชิญชวนในแง่คำพีเนี่ยจบเนจบทีนี้ก็เริ่มจะอธิบายเป็นเรื่องละหากจะมีคําถามว่าในสามสิบกถาท้วนนั้นเพราะเหตไรท่านจึงกล่าวยานกระถาไว้เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องต้นทำไมอย่างนั้นอ่านไหมทาไมไม่เอาเรื่องอื่นมาแสดงก่อนละ่ะตอบว่าเพราะยานเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติ เพราะเป็นเครื่องชำระมลทินแห่งการปฏิบัตินะเนี่ยถ้าจะอในกล่าวตามกัมพีเนี่ยญาณเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดคำว่าญาณเนี่ยนะแม้แต่รักษาวินัยก็ต้องมีปัญญาประกอบศึกษาสมาธิก็ต้องมีปัญญาประกอบแม้แต่อภิธรรมก็ต้องมีปัญญาประกอบมันคำว่าญาณในที่นี้เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยสําคัญถือว่าปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งการ ปฏิบัติและปัญญาเนี่ยเป็นตัวชําระมนทินคำว่ามนทินแปลว่าความเศร้าหมองแห่งการปฏิบัติถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วถามว่าปฏิบัติตรงได้ไหมไม่ได้มันก็เศร้าหมองอยู่นั่นแหละทีนี้การที่จ ะ, ะแสดงคําที่ยกมาให้หนักแน่นก็ยกลักษณะอนุขีติเ น, นี่ยนะคือยกคมภีร์ที่อื่นๆมาประกอบสนับสนุนส่งเสริมเอาพุทธพจน์ ท, ที่พระองค์ตรัส อาไว้ในสังยุตตนิกายมหาวักวะก็มหาวรารวักนว่าดูก่อนภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงยังเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์ก่อนเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคืออะไรคือศีลอันบริสุทธิ์และความเห็นอันตรงก็ยานกล่าวคือสัมมาทิฐิท่านกล่าวไว้แล้วด้วยบทว่าอุชุกาทิฐิแม้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวยานนักถาไว้แต่ต้นถือว่าปัญญานี้เป็น เบื้องต้นเลยนะถ้าถ้าใครอยากจะปฏิบัติเพื่อความบรรลุหมดจดนะศีลกับทิฏฐิที่ตรงทิฏฐิที่ตรงตอนนี้ก็เนี่ยยานเจ็ดสิบสามนี่แหละถือว่าเป็นทิฏฐิที่ตรงแล้วนะท่านท่านดัดแล้ให้ตรงเรียบร้อยหมดแล้วทนี้ก็ยกอันนี้แง่แรกก่อนนะที่ยกว่ายานเป็นเรื่องแรกเหตุผลแรกก็คือเป็นเบื้องต้นแห่งการ ถึงพร้อมแห่งกุศลเนี่ยนะหรือว่าผู้ที่จะปฏิบัติต้องชำระอันนี้ให้ดีก่อนศีลกับทิฏฐนะิทำความเข้าใจให้ถูกต้องแม้คำอื่นพระผู้มีราพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้อีกว่านนเหตุผลความสำคัญของยานเป็นเบื้องต้นว่าดูความพิสูจ์ทั้งหลาย บรรดาองค์ทั้งแปดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานดูกวามพิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือพิกษุรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวรู้ปัญญาเองว่าเออเนี่ยนะเข้าใจถูกนี้เข้าใจผิดปัญญาเป็นตัววินิจฉัยว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไง มิจฉาทิฏฐินะมันจะเข้าลักษณะของอัตตานุทิฏฐิหรือส ก, กายาทิฏฐิยี่สิบหรือจะเข้าไปในทิฏฐิหกสิบสองอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมถ้าสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาทิฏฐิก็รู้อริยสัจไอความที่แยกมิจฉาทิฏฐิแยกสัมมาทิฏฐิได้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอนนปัญญาเป็นตัววินิจฉัยทีนี้สัมมาทิฏฐิไม่ได้รู้เฉพาะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเท่านั้น ก็รู้จักแม้กระทั่งสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกสัมมาสังกัปปะคืออะไรคือสัมมาเอขออภัยคือเนคขมะสังกัปปะอัพยาปาท่าสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะใช่ไหมส่วนมิจฉาสังกัปปะก็คือการมสังกัปปะพยาปาท่าสังกัปปะแล้วก็วิหิงสาสังกัปปะ คือแยกแยๆว่าแยกว่าอย่างไรเป็นกุศลวิตตกอย่างไรเป็นอกุศลวิตตกปัญญาที่มาแยกแยะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิแยกรู้จักว่าสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาคือพูดยังไงว่าเป็นคําพูดถูกเป็นคําพูดผิดอันนั้นคำพูดที่ถูกกล้องก็คืออะไรคําพูดที่เว้นจากคําเทปทำหยาบเพเอ้อเจ้อส่อเสียดเนี่ยนะ ส่วนคําพูดที่ผิดก็คือคําพูดที่พูดเทปพูดคำหยาพูดเพอเจอพูดสอเสียดนั่นเองฉะนั้นตัวปัญญานี่แยกแยะว่าเออพูดอย่างนี้มีผลอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดถูกพูดอย่างนี้พูดผิดพูดผิดมีผลอย่างนี้พูดถูกมีผลอย่างนี้อันนี้เป็นปัญญาแล้วก็ผู้มีปัญญาก็จะรู้จักว่าสัมมากรรมมันตะว่าเป็นสัมมากรรมมันตะรู้จักมิฉากกรรมมันตะว่าเป็นมิชากกรรมมันตะเนี่ยนะพฤติกรรมอย่างนี้ผิดพฤติกรรมอย่างนี้ถูกเช่นฆ่าสัพท์เนี่ยนะเป็น เป็นผิดถ้าเลี้ยงสัตว์ด้วยกรุณานะ ด, ด้วยด้วยความอนุเคราะห์มีเมตตาอันนั้นก็เป็นสัมมากรร ม, มันตะเนี่ยนะอนุเคราะห์สัตว์เป็นต้นนะนะส่วนรู้จักสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะรู้จักมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะก็คืออาชีพที่เว้นจากกายทุจริตสามวิจีทุจริตสี่เป็นสัมมาอาชีพส่วนอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตวิจีทุจริตเป็นมิจฉาอาชีพยังไง รู้จักสัมมาวายมะว่าเป็นสัมมาวายมะรู้จักมิจฉาวายามะว่าเป็นมิจฉาวายามะคือถ้าเพียรในสัมมาประธานสี่เรียกว่าเพียรชอบถ้าเพียรนอกสัมมาประธานสี่เรียกว่าเพียรผิดเนี่ยนะรู้จักสัมมาสติว่าเป็นสัมมาสติรู้จักมิจฉาสติว่าเป็นมิจฉาสติคือรู้จักสติประธานสีว่าเป็นสติประธานสี่รู้จักอย่างอื่นที่นอกจากสติประธานนะก็รู้จัก ถามว่ามิจฉาสติเป็นยังไงคืออาคุศละจติตตกบาททั้งปวงเรียกว่ามิจฉาสติเนี่ยนะขณะที่อาคุศลจิตสิบสองเกิดขึ้นนั้นน่ะถือว่าเป็นมิจฉาสติหมดเลยเรียกว่าระลึกผิดรู้ผิดเนี่ยนะส่วนสัมมาสมาธิก็คือฌานสี่นะว่าเป็นสัมมาสมาธิส่วนมิจฉาสมาธิก็เป็นอกคุศลความตั้งมั่นด้วยอาคุศนทั้งหลายเนี่ยนะ มันปัญญานี่จะเป็นตัวแยกแยะให้รู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาสมาธิคืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรืออันนี้เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยนะความรู้ทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นสัมมาทิฐิอันนี้ยกมาจากข้อความในจัตตารีสกะสูตรอ่านะเล่มเล่มยี่สิบสามยิบสองนะเล่มยีิบสองนะมหาจัตตารีสกะสูตรนะที่ผู้การชอบชอบสูตรนะั้นแหะ มหาจัตตารีสกะสูตรที่กล่าวถึงสัมมามักมิฉามักเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะก็ให้เหตุผลที่ยกยานนักขาขึ้นอีกว่าเมื่อกี้เหตุผลที่สองนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแยกมิฉามักกับสัมมามักได้ก็ด้วยอำนาจยานหรือด้วยอำนาจปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ ท่านกล่าวยานกักขาไว้แต่ต้นก็เพื่อจะให้ยานกล่าวคือความเห็นชอบว่าเมื่อสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสําเร็จแล้วก็จะรู้ความที่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนี้ให้สําเร็จก่อนเพราะคนที่จะปฏิบัตินะถ้าจะรู้ทางถูกมันต้องรู้ทางผิดถ้ารู้บอกว่าชี้ท่านรำเนี่ยถูกอย่างเดียวถ้าอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่ามันถูกเนี่ยนะท่า น, นพวกนี้ต้องแยกได้รู้ทางถูกรู้ถูกรู้ผิดนะนะ่ วันในความรู้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิหรือญาณแล้วก็ยกที่อื่นมาอีกนะว่ายกคัมภีรอื่นมาอีกว่าดูก่อนอุทายีเธอจงงดขันส่วนอดีตและขันส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่เธอว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้ยอ่ อ, นนยอมดับอันนี้ก็ยกมาจากจูระสกูลุทายิสูดเห็นไหม ที่อุทายีปริภาชกเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าก็ไปคุยนั่นแหละเรื่องอดีตชาตินั่นแหละเรื่องระลึกชาติได้นะที่ว่าขันส่วนอดีตก็หมายถึงการระลึกชาติส่วนอนาคตก็เรื่องการรู้เห็นสักจุติปฏิสนธินะเขาจะไปสนทนาเรื่องระลึกชาติกับเรื่องรู้จุติปฏิสนธิกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าผู้ใดจะสนทนากับพระองค์นะผู้นั้นต้องระลึกชาติได้จะมาคุยเรื่องระลึกชาติอ่ะก็ต้องเป็นคนระลึกชาติได้เหมือนกัน หรือใครที่จะคุยเรื่องอนาคตเรื่องจุติปฏิสนธิคนนั้นก็ต้องเห็นจุติปฏิสนธิเหมือนกันเิยจึงจะคุยกันได้เพราะฉะนั้นอ่ะท่านจงเอาไว้ก่อนนะไอ added, เรื่องอดีตชาติเรื่องอนาคตชาติเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะแสดงทําให้ฟังว่าเพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุคืออวิชามีสังขารจึงมีหรือเพราะเหตุคือชาติมีชรามรณะจึงมีเพราะชาตินี้เกิดชรามรณะจึงเกิดอย่างเงี้ยนะ ถ้าชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มีถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับก็เท่ากับแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมคือเพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดอันนี้เรียกว่าสมุทยาวาระวาระว่าด้วยการเกิดเป็นอย่างนี้หรือสมุทัยสัจจานั่นเองส่วนเมื่อเหตุนี้ไม่มีเช่นว่าอาวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มี เพราะอาวิชาดับสังขารก็ดับอันนี้เรียกว่านิโรธวาระก็คือดับหรือเป็นการประกาศนิโรสัจจะท่านการแสดงว่าเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้ไม่มี น, มมนี่คือการประกาศอริยสัจลักษณะภาษาดิบุตรท่านฟังอย่างเนี้ยแล้วบรรลุโสดาปฏิผลพร้อมด้วยในพันใ น, น, นรู้แนวว่าจะบรรลุได้ยังไงเป็นพันในนะคูณด้วยพันในก็ภาษาริบุตรท่านฟังคล้ายๆย่อๆแบบเนี้ท่านแต่งปฏิสัมพิทาได้อ่ะ ของเราก็ฟังไอ้คาถาที่ท่านมารลุเหมือนกันเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างแต่งอะไรได้บ้างนะไม่แน่นักการแต่งนอนไรจังเล่มนะีทีนี้ต่อไปนะเหตุผลที่กล่าวยา น, นักระถาไว้เป็นเบื้องแรกเพราะเว้นปุปพันตะทิฏฐิกับอปรันตะทิฏฐิปุปพันตะทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่ปรารภอดีตกับทิฏฐิที่ปรารภ อ, อนาคต ปุพันตะก็คือทิฏฐิที่มีในก่อนทั้งหมดนะเป็นชื่อของทิฏฐิสิบแปดปุพันตะทิฏฐิสิบแปเช่นสัตตทิฏฐิเอกัจจะสัตตทิฏฐิอมราวิเคปะอทิจจะสมุปปณะทิฏฐิเนี่ยนะกลุ่มนี้เรียกว่าทิฏฐิในอดีตมีอยู่สิปดอย่างส่วนอภรันตะทิฏฐิก็คือทิฏฐิในอนาคตว่าตายแล้วจะมีสัญญาอีกไหมตายแล้วจะมีเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์จะมีสัญญาหรือว่าสัตว์มีไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ หรือตายมาแล้วศูนย์กันแน่เนี่ยนะคุยเรื่องอนาคตต่อไปกลอกทิฐิอนาคตนี่มีอยู่สี่สิบสี่ทิฐิเนี่ยนะฉะนทิฏฐิอดีตสิบแปดอนาคตสี่สิบสี่รวมเป็นหกสิบสองเพราะฉะนั้นทิฏฐิเรื่องนั้นไม่จําเป็นต้องพูดเพราะมันเข้าใจผิดนะนะฉันจะกล่าวแต่เรื่องยามอย่างเดียวกล่าวทางพ้นทุกอย่างเดียวเหตุผลอื่นอีกเหตุผลอื่นที่ยกปัญญาไว้เป็นเรื่องแรกเนี่ยนะสามสิบเรื่องที่ยกปัญญาไว้เป็นเรื่องแรกอีกว่า คือครั้งตอนที่สุพัทธะเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าก่อนจะดับขันปรินิพานว่าพวกครูทั้ง6สมัยก่อนนะปุรณะกัสปาอชิตะเกสะกัมพลมัคลิโคสารเป็นต้นที่เขาอ้างว่าเป็นสัพพัญยูรัตที่ทั้งหลายแหละเขาปฏิญาณกันเหลือเกินเขาทั้งหมดเนี่ยนะเขาได้บรรลุตามที่เขาปฏิญาณกันหรือเปล่าเขาได้บรรลุมัทผลอย่างที่พูดกันจริงหรือเปล่าไปถามพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพันธ์พระองค์ก็ตรัสว่าอย่าเลยสุพัทธะ ข้อที่ถามว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ตรัสรู้ตามปฏิยาของตนของตนคือตามที่อวดอ้างตามคําโฆษณาหรือหรือว่าทั้งหมดไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าบางพวกไม่ได้ตรัสรู้บางพวกตรัสรู้อย่างงี้งดไว้ก่อนนะอย่ามาถามอย่างนี้เลยว่ารักที่เหล่านั้นเนี่ยมีไม่บรรลุทั้งหมดหรือไม่ได้บรรลุทั้งหมดหรือบางพวกบรรลุบางพวกไม่บรรลุอย่าถามเลยเหมือนกันสุภคะ